ตอนนี้พุลุงขอบารมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอบารมีท่านพ่อท่านแม่พาไปวิมานสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทรงพระนามว่าสมเด็จองค์ปฐมค่ะเป็นองค์แรกนะคะคถึงหรือยังคะถึงแล้วครับเป็นไงเห็นวิมานท่านไหมคะเห็นครับวิมานท่านมีลักษณะเป็นไงคะขาวครับข า, ขาวประดับด้วยเพชรทั้งหมดเลยครับเป็นแก้วนะคะใหญ่โตไหมคะใหญ่ครับใหญ่นะคะจําได้ไหมคะ ได้ครับจัดได้ท่านพ่อท่านแม่มาด้วยเปล่าคะมาครับขอท่านพาไปเฝ้าพระพุทธองค์ข้างในเล้วได้ยังคะเขาได้แล้วครับพระพุทธเจ้าเป็นไงทรงประทับนั่งหรือว่ายืนนั่งครับนั่งนะคะเข้าไปกราบธ ร, รรมชการใกล้ๆพระบาทท่านทรงเครื่องแบบไหนคะแบบเทวดาครั บ, บ, บเทวดาเป็นภาพพนิพานพระพุทธเจ้าองค์แรกนี่แก่ไหมแก่ห น, นุ่มหนุ่มมากนะคะค่ะสวยไหมคะสวยครับ กลับนะมัสกา ร, ร, รท่านยางคะกลับแล้ ว, ลวครับแลดูที่ไหนวิมานท่านยางมีพระอระหันต์บ้างไหมมีครับเมื่อใช่กาย ม, มีเท่าจํานวนพระอระหรนะันต์แล้วก็กลาบท่านกลับได้นะคะครับสําหรับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปรถมเนี่ยนะคะคุณลุงมีความรู้สึ ก, กว่าเคยเป็นญาติกับท่านบ้างไหมคะเคยครับเคยเคยนะคะครับท่านเคยเกิดเป็นพ่อหลวงพ่อนะคะเพราะฉะนั้นเราเป็นลูกหลวงพ่อเราก็ต้องเรียบ สมเด็จปูย่ยหญ่ใช่ครับดีใจนะดีดีใจครับดีใจนะกราบขอพรท่านนะคะครับคิดว่าข่าพระพุทธเจ้าหวังที่จะมาพรนิพพานในชาตินี้คําสอนอะไรสั้นๆที่องค์สมเด็จพระจินสีจะทรงโปรดให้ข้าพระพุทธเจ้ายึดเป็นหลักประจําใจนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพื่อจะมาพรนิพพานในชาตินี้พอพระองค์ได้ทรงโปรดก่าที่ถึง้วค่ะ คารู้สึกว่าท่านพูดวอะไรท่านยกมืออะไรครับให้พรนะคะครับแสดงว่าที่คุณลุงต์ดสินใจอยู่เวลาเนี้ยถูกต้องแล้วใช่ไหมคะครับถูกต้องแล้วนะคะท่านถึงได้ยกมือให้พรเป็นการยืนยันเพราคุณลุงตั้งใจว่าอย่างไรอันนั้นนั้นแล้วโลกหัวผมด้วยครับนั่นเหรอคะครับแสดว่าท่านเมตตามากนะคะอ่าดีใจนะคะดีใจมากครับดีใจมาก ก็กราบนมัสการท่านขอบารมีสมเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐมท่านได้โปรดสงเคราะห์ให้ข้าพระพุทธเจ้าเห็นภาพเนลมิตธว่ามีพระพุทธเจ้าที่เข้าพระนิพพานแล้วเนี่ยปริมาณเท่าใดขอเห็นต่างความเป็นจริงพระพุทธเจ้าค่ะโอ้เยอะครับแต่งองค์เป็นยังไงคะแต่งเป็นองค์เทวดามากครับเป็นแบบภาพพระนิพพานใช่ครับ นับท้วนไหมนับคือไหวนะนวเปคนไปหมดเลยนะคะครับสว่างสวยไหมสว่างครับแม้จะเป็นภาพในละมิตรก็ตามนึกให้กายของคุณลงุงมีเท่าจํานวนพระพุทธเจ้าทั้งหมดแล้วก็กราบนมัสการท่านใกล้ๆพระบาทใช่ใช่ไหมคะครับขอบา ร, รมีรสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ได้ทรงปโปรดให้ข้าพระพุทธเจ้าเห็นภาพในละมิตว่ามีพระประเจก้าพุทธเจ้า ซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าประเภทหนึ่งที่เข้าคณิพานแล้วเนี่ยปริมาณเท่าใดขอเห็นภาพตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าค่ะมีหลายองค์เหมือนกันกับหลายเนี่ยนับไหวไหมคะโอ้ความรู้สึกเราเป็นทิศจะบอกได้เป็นแสนเลยครับเป็นแสนเลยนะคะครับแม้จะเป็นภาพเนลมิตก็นึกให้กายมีเท่าจํานวนพระองค์แล้วก็กลาบตั้งใตกล้เประบาท แล้วขอบา ร, รมีพระพุทธเจ้าทั้งหมดพระประเจกับพระพุทธเจ้าทั้งหมดช่วยให้คุณลุงเห็นภาพพระอหรหันต์ที่เข้าพระนิพพานแล้วว่ามีปริมาณเท่าใดขอเห็นภาพชัดๆได้ค่ะเป็นไงคะมีมากครับเป็นไปหมดเลยใช่ไหมคะครับแม้จะมีมากปริมาณเท่าใดก็ขอให้กายของคุณลุงมีเท่าจํานวนพระอหรหันต์ทั้งหมดแล้วก็กราบท่านบนตักก็นับว่าเป็นโชคดีใช่ไหมคะคใช่นะคะ เวลานี้ขอบารมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระบาเจากพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์และพระอหรหันต์ทั้งหมดได้โปรดให้ข้าพระพุทธเจ้าเห็นสภาพของแดนพนิพานว่ามีความกว้างขวางขนาดไหนสว่างสวัยเพียงไรมีวิมานตั้งเรียงรายกันอยู่อย่างไงขอเห็นภาพตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าค่ะ กลับแล้วเห็นแล้วอย่างเห็นภาพผพานอย่างคะ่ะเห็นแล้วโอ้โหกว้างจริงๆเลยครับกว้างมากแล้วขาวพื้นประดับประดับเพชรสว่างสวัยไปหมดเลยครับ ว, วิมานนะคะวิมานอยู่เป็นห ม, มู่หมู่เป็นหมู่หมู่นะคะฮะแต่ละหมู่แต่ละกลุ่มมีหัวนหน้านะคะ เมฆครับวิมานใหญ่กว่เพื่อนนะคะครับนั่นเป็นวิมานพระพุทธเจ้านะคะคแล้วก็ที่เป็นเล็กๆข้างหลังนั่นเป็นวิมานของพระอราหันต์ซึ่งเป็นสาวกนะคะครับหลเหมือะคะหลายหมูกลมไปหมดเลยใช่ไหมคะคสว่างสวามากนะคะครับ ม, มั่นใจหรือยังคะคุณลงมาพระนิพพานได้จริงเวลานี้นะ ผมมั่นใจครับมั่นใจมากน ะ, ะมั่นใจครับอเอาล่ะก็นักว่าเป็นโชคดีนะคะคกลาบนมัสการสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิชาความรู้ที่คุณลุงศึกษาอยู่เวลานี้เป็นของพระพุทธเจ้าก็จริงนะคะแต่หลวงพ่อท่านเป็นผู้นํามาสอนเราเราควรไม่ที่จะไปกลาบท่านถึงวิมานสมควรครับสมควรนะะก็ขอพระพุทธเจ้าท่านพาไปขอท่านพ่อท่านแม่พาไปวิมานหลวงพ่อ ถึงึงงแล้วครับดูข้างหน้าสิคะคุณลุงเห็นอะไรบ้างโอ้โหข้างข้างหน้านี่สวยเลยครับซุ้มประตูไหมมีครับชุ้มประตูนี้คุณลุงเคยเห็นมาบ้างอย่างคล้ายๆที่ไหนโอ้สวยมากเลยครับประดับเพชรครับล้ายๆกับหน้าวัดวัดไหน ว, วัดนี้เลยครับอหน้าวัดเท่าลุงเหรอคะใช่มีกําแพงแก้วไหมมีครับง่สวยนะครับอ หลวพ่อท่านแม่อยู่ตรงนั้นไหมคะอยู่ครับคุณลุงดูด้ว่าวิมานข้างในมีกี่หลังโอ้ยไม่หลายหลังครับหลายหลัง่ะครับหลังกลางใหญ่ไหมคะหลังกลางใหญ่กว่าเพื่อนเลยนะครับซ้ายขวาไม่ใช่ไหมคะไม่ครับเพื่อนมองข้างหน้ามีกี่หลังคะข้างมากข้างหน้าก็หลายหลังครับไม่ใช่ตรงกลางหลังแล้วนะคะครับซ้ายขวาอีกสองหลังรวมเป็นกี่หลังสามครับสามหลังคุณลุงเข้าไปหลังกลางนะคะครับทำได้ไหมคะ เข้าได้ครับมีเจอใครบ้างข้าในวิมานหลวงพ่อเจอท่านพ่อครับหลวงพ่อเหรอคะครับกล่าบท่านพิพาเลยกลาบแล้วกับท่านตามเรามาเรื่อยใช่ไหมคะครับกลาว บ, บนตักได้ไหมกลาวบนตักครับท่านยิ้มแล้วก็เอามือลูกหลังท่านพูดไว่ายังไงไหมคะท่านยิ้มยิ้มกับ ครับยังไม่พูดครับยังไม่พูดนะครับที่นี่เขาใช้ใจพูดกันนะคะครับพอถามท่านแป๊บความรู้สึกของใจเป็นยังไงนั่นคือคำตอบนะคะเลยแล้วพอพุทธเจ้าท่านตามเสด็จํามนำเรามาด้วยเปล่าพอพุทธเจ้ามามามานําเรามานะคะครับค่ะเพรางั้นเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าก่อนค่ะบกราบแลม่ละคะครับแล้วดูที่ท่านแม่มาด้วยไหมคะมาครับแล้วอยู่ตรงไหนท่านแม่ อยู่ทางขวามือผมด้านด้านขวามือครับแล้วแล้วอยู่ใกล้หลวงพ่อหรือเปล่าใกล้ครับนั่งอยู่ใกล้นะครับต้องไปกราบท่านที่เท้าให้กราบบนตักท่านไง ร, รักท่านมากเลยโอ้ยรักมากครับท่านแม่กอดผมไปไว้ที่เข่าครับนน่นแน่และคุณลุงตัวเล็กกับตัวตว ต, วตัวเล็กครับโ อ, อแล้วท่านตัวใหญ่ใช่ไหมนะครับมีหน้าเป็นกอดไว้ที่เขาได้ดีใจไหมคะดีใจมากครับ คุณลุงมีปัญหาอะไรนะคะถ้าในด้านธรรมะนะคะสามทูลถามพระพุทธ เ, เจ้านะคะครหรือว่าถามท่านพ่อท่านแม่ก็ได้ท่านพร้อมที่จะช่วยเหลือเราอยู่ตลอดเวลานะคะครับเออนอกจากท่านแม่ศรีแล้วขอดูภาพสิคะคุณลุงมีหลวงพ่อเป็นท่านพ่อเนี่ยแล้วมีท่านแม่ที่มีหลวงพ่อเป็นท่านพ่ออยู่กี่องค์ที่อยู่พัดนิพพานเนี่ยขอดูภาพโอ้หลายองค์หลายองค์หลายองค์เหรอคะครับครับเป็นองค์สวยไหมสูงเลยครับ นึกแค่กายมีเท่าจำนวนท่านแล้วก็กราบท่านบนตักหลวงพ่อองค์เดียวมีแม่ตั้งหลายองค์นะครับสวยๆตรงนั้นเลยนะคะครับอ่า ข, ข, <อ>ขอดูภาพสิคะขอพระพุทธเจ้าท่านช่วยให้เห็นภาพว่าคุณลุงมีท่านพ่อท่านแม่แล้วก็ท่านผู้บีบเะคุณที่อยู่พายนิพานเนี่ยปริมาณเท่าใดขอดูภาพสิคะเยอะครับเยอะนะคะครับดีใจไหมะคะดีใจครับอ่านึกแค่กายมีเท่าจํานวนท่านแล้วก็กราบท่านบนตัก อย่าลืมว่ท่านเคยช่วยเหลือเราอยู่ตลอดเวลานะคะค่ะเป็นไงวิมาหลวงพ่อในคุณลุงชอบมาไหมคะชอบครับชอบมานะคะครับกล า, าบขอบพระคุณท่านนะคะให่านนำความรู้ของพระพุทธเจ้ามาสอนเราให้เราได้รู้จักพระนิพพานนะคะอธิริศตอผมมาบ่อยเหลือเกินมาที่นี่เหรอคะครับครัผมจําได้ผมมาบ่อยอแล้วก็มาทุกวันเวลามาคุณลุงให้ใครพามามาเองครับมาเองครับแล้วก่อนมาทําอะไรคะผมก็ อธิษฐานครับอธิษฐานว่าไงอธิษฐานจะไปหาประสาทของท่านพ่อครับแล้วก็มานี่ครับ<า>เอาลราเข้าไปกราบนมัสการสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบหลงพ่อและท่านแม่นะคะอขอบารมีพระพุทธองค์ได้ท ร, ตรงโตทรงเคราะหให้ข้าพระพุทธเจ้าไปวิมานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทรงพรนามว่าสมเด็จพระประทุมมุตระขอท่านแม่ท่านผ่านไปนะคะ คฮะหลวงจักชื่อท่านแล้วน ะ, ะพระปฐุมมุตระรัชกับรู้จักนะคะคเขีนถึงวิมานท่านหรือยังคะถึงแล้วครับไอ้ลวงบอกว่าวิมานท่านลูกล่างเป็นไงโอ้โหสวยวิมานท่านโอ้โหสวยจริงๆใหญ่นะฮะใหญ่ครับ มียอดแหลมนะม ท, นทำด้วยอะไรคะทำด้วยเพชรกับท่านแม่มาด้วยใช่ไหมคะมาครับขอท่านพาเข้าไปข้างในเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเข้าไปแล้วครับเห็นพระพุทธเจ้าเป็นไงคะสวยครับโอหนุ่มครับ จิ้ม น, นิดหน่อยยะแย้มพระโอษณนะ น, นี่ครับแลกราบท่านยังคะกราบแล้วได้พระบาทนะ ค, ะคบสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทรงพรนามว่าสมเด็จพระพุทธพระบาทมุตระนะคะคสําหรับรสมเด็จพระองค์นี้ขอดูภาพสิคะว่าคุณลุงเคยเกิดในสมัยพระพุทธองค์หรือเปล่า เคยครับเคยครับเคยนะคะแต่งตัวเป็นยังไงคะแต่งตัวเป็นเทวดาเป็นเทวดาอีกเหรอคะใช่แต่งตัวสวยอยู่ด้วยเป็นเทวดานั่นแสดงว่าตอนนั้นคุณลุงเป็นเทวดาหรือว่าเป็นคนเป็นตัวแบบเทวดาเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ดูเนื้อสินะคะมนุษย์ที่จะเนื้อหยากใช่ไหมคะครับแต่แต่งตัวแบบเทวดาครับแปลว่าเป็นเป็นเจ้าอีกสิใช่ใช่ครับใช่อีกนะครับ ถ้าเป็นเจ้านั้นอภาพจังนั้นก็ดูด้วว่าเมืองอยู่ตรงไหนคะบ้านเกิดเมืองนอนเราอยู่ตรงไหนบ้านช่องเงินชาอยู่ตรงไหนอยู่ทางทิศเหนือกับทิศเหนือของอะไรคะของประเทศไทยเหรอคะครับบริเวณไหนขอดูภาพสยคะแถวแถวแถวจังหวัดไหนโอ้ ทางพิษเหนือแถวทางทางไปจังหวัดพิศโลกไปทาง น, นนะท์นะรู้เหรอคะคะมีพระราชวังมีครับตั้งอยู่นะคะครับทั่ตรงนั้นตรงไทยหรือตรงอะไรตรงไทยครับเหนือขึ้นไปหน่อยนะคะครับเวลานั้นปกครองอยู่แถวนั้นใช่ไหมคะใช่ครับคุณลุงเป็นผู้ปกครองหรือว่าเป็น เป็นบทรับเป็นลูกเหรอคะคเป็นบุตรของผู้ปกครองเมืองนะคะคแล้วผู้ปกครองเมืองเป็นยังไงขอดูภาพสีคะได้เป็นใครเป็นสมเด็จพระเจ้าพระเจ้าอยู่หัวพรเจ้าอยู่องค์ไหนคะโอ้โหองค์ที่หนึ่งครับองค์ที่หนึ่งรัชกาลที่หเึ่งอะคะครับ พ, รพุทธยอดฟ้าจุลาโลกเหรอนนะคะครับอ๋อพ่อขนลามครับอ่าองค์ที่หนึ่งพ่อขององค์ไหนแนบ องค์ที่หน ad. ึ่งคือพ่อขุลามเหรอคะครับครับครับได้บอกว่าพ่อคุลามครับพ่อคุลามอหรอคะครับพ่อขุลามคำแหงใช่ครับตอนนั้นคุณลุงเป็นลูกท่านครับแล้วท่านเป็นกษัตริย์เหรอคะครับเห็นภาพไหมคะเหนครับท่านเป็นกษัตริย์ปกครองอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับแล้วขอดูภาพที่ตอนนั้นหลวงพ่อท่านเกิดหรือเปล่าคะเกิดครับแล้วหลวงพ่อเป็นอะไร เป็นบุตรของท่านอีกเช่นเดียวกันครับคุณลุงเป็นบุตรของท่านนะคะครับอ่แล้วท่านเป็นเป็นผู้ปกครองนครเนี่ยใช่ครับแล้วหลวงพ่อท่านแต่งตัวยังไงถ้าดูภาพแต่งตัวเป็นมนุษย์อแต่ว่าทรงยศเป็นพระมหากษัตริย์อแล้วเป็นอะไรกับพ่อขุนรามเป็นบุตรครับเป็นบุตรพ่อขุนรามทีเหรอคะหรือพ่อขุนรามเป็นบุตรไม่ฮะหลวงพ่อเป็นบุตรท่านครับอ พ่อคุณลาก็เป็นพ่ออะไรสินะคะครับเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมานะคะแล้วท่านแม่เกิดได้สาว่ ะ, ะเกิดครับท่านแม่ก็เกิดทู่วหลวงพ่อด้วยแต่งตัวเป็นไงถ้าคุณสมัยนั้นสวยนะแต่งตัวสวยนะคะครับแล้วตอนนั้ น, นคุณลุงเคยพบพระพุทธเจ้าซึ่งทรงพระนามวาพระปฐุมุตระบ้างไหมนะถ้าเคยเคยพบเคยได้ถวายพระตาหารอะไรเคยเฝ้าเคยฟังเทศขอเห็นภาพ เคยครับเคยเป้านะคะครับเป็นไงพระพุทธเจ้าสมัยที่มีพระวรากายเป็นมนุษย์สวยไหมสวยผิวเนื้อแต่ผิวเนื้อไม่เหมือนเทวดาใช่เหลืองครับโดยปเป้าท่านนะคะครับอเอาละกราบนมัศ ก, การสมเด็จพร ะ, ร ะ, ะรบูรุณุตระกราบพละละาระอรหันต์ในวิมานนะคะ ขอบรารมีสมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจา้าขอบรารมีท่านพ่อท่านแม่ช่วยเพราะเท่าวิมานของคุณลุงมีอยู่แล้วที่พันิพยนขอท่านพาไปวิมานคุณลุงเองถึงอย่างไรไหมครับไหนลองบรรยายไปเท่าวิมานของคุณลุงลักษณะเป็ น, นอ่งโอ้วิมานของผมก็สวยครับนะคะใหญ่ไ้มค ะ, ะใหญ่ไม่เท่าของสมเด็จพ่อครับอเอล็กกว่านะคะ แล้ววิมานคุณลุงทำด้วยอะไรคะทำด้วยแก้วครับแก้วนะคะคมียอดแหลมไหมมีครับเข้าไปในวิมานได้ไหมได้ครับท า, านที่นี้เป็นของคุณลุงนะค ะ, คอะขอบา ร, รมีพระพุทธเจ้าช่วยเห็นภาพสิคะว่าคุณลุงทำบุญอะไรจึงมีวิมานอยู่ขอให้ภาครากฏให้ทานให้ทานให้ทานประเภทไหนจึงได้มีวิมานอยู่ ให้ทานสประเภทสังฆทานครับสังางทานนะคะครับแล้วก็เคยครับก่อสร้างอะไรนะก่อสร้างหลายอย่างครับโบสถ์วิหารครับถ้าทําบุญเนื่องใยการก่อสร้างจะเอาเงินไปช่วยแล้วก่อสร้างก็ดีแล้วเอาแรงช่วยก็ตามใจนะคะควิหารลทานทั้งหลายโบสถ์วิหารสร้างซ่วมอะไรก็ตามใจนะคะที น, นี้ก็ทําให้มีวิมานอยู่ใช่ไหมคะเข้าไปเลยเจอใครบ้างในวิมานกุรุง ไม่มีใครไม่มีใครเลยถ้าไม่พบใครคุณลุงตั้งใจรัฐนาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จะเสด็จมาโปรดทันทีเป็นไงคะมาแล้วครับมาแล้วครับเข้าไปกราบท่านสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ไหนพระที่เสด็จมาตรวคุณลุงวันนี้ความรู้สึกของใจเป็นไงตอบเลย องปัจจุบันครับองปัจจุบันนะคะเข้าไปกราบนมาสการท่านท่านตามเราอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะมายถว่าตามคอยสงเคราะห์เราคอยช่วยเหลือให้เราเห็นถูกต้องนะคะกราบนรมาสการสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วท่านพ่อท่านแม่มาด้วยไหมคะมาครับท่านนั่งหรือว่ายืนคะยืนครับยืนอยู่นะคะับ้วทนาท่านนั่งท่านจะนั่งนั่งไหมเวลานั่งท่านนั่งลงไปยังไงมีอะไรมารองรับบ้า มีแท่นครับอ่าพอนั่งปุ๊บแท่นมาลองทันทีใช่ไหมคะใช่ครับดีไหมครับบนพลันิพานเนยดีครับดีนะก็กราบท่านพ่อท่านแม่ซะก่อนนะคะแล้วคุณลุงมีแท่นนั่งของคุณลุงไหมคะมีครับทำด้วยอะไรคะทําด้วยเพชรเหมือนกันนะแต่ไม่เพชรนะนั่งลงไปเลยคนั่งได้ไหมคะได้ครับอ่าสบายไหมคะอืมสบายจริงอ่าแล้วคุณลุงนั่งท่าไหนนั่ง ห้อยขาอีกเหมือนกันแต่งตัวสวยสวยครับนั่นคือจิตหรืออภิสมานกายของคุณลุงเองนะคะคที่มันซ้อนอยู่ในกายเนื้อข้างล่างแต่เวลานี้เราแยกมันขึ้นมาอยู่บนพนิพานด้วยอาศัยบา ร, รมีพระพุทธเจ้านะคะคแต่ว่าที่เราพูดกันอยู่ได้นี้เพราะจิตมันโยงกับประสาทนะซึ่งความรู้อันนี้เป็นเรื่องที่แปลกมากของพระพุทธเจ้าท่านนะเราก็โชคดีที่มีโอกาสนะคะคนั่งได้สบายใช่ไหมคะ ไอ้เจ้าอาิตมานกายอันนี้แหละเวลาตายมันจะออกจากร่างมาเวลานี้มันสวยใช่ไหมคะใช่ครับกลับร่างกายข้างล่างอันไหนสวยกว่ากันโอ้ยมองถอยหลังกลับมาไม่น่าดูครับไอ้ร่างกายข้างล่างไม่น่าดูนะคะถ้าคุณลุงตายเดี๋ยวเนี้เสียได้ชีวิตนะคะไม่ครั บ, บผมไม่อยากจะกลับอีกด้วยซ้ํานั่นเหรอคะครับ แต่ก็ต้องกลับไปช่วยกันนะคะเพื่อให้คนอื่นเขาได้มีความเข้าใจในาศาสนาองค์สมเด็จพระสัมมา ส, มาสมัาามพุทธเจ้าเขาจะได้เป็นคนดีโลกก็จะได้มีความสุขใช่ไหมคะใช่นะคะแล้วคุณลุงมีเตียงนอนไหมคะมีครับเตียงนอนเหมือนเมืองมนุษย์ไหมคะไม่ฮะทําเพื่ออะไรคะทําได้เพชรครับทําได้วเพชรมีลวดลายไหมมีครับนอนลองไปเลยนอนได้ไหมคะได้ครับสบายไหมคะสบายมากสบายมากเห็นไหม นมนมหรอคะถึงแม้จะเป็นแพ็ตัวนิมใช่ไคะใช่ครับรึมอะไรนะคะครับโอ้โหเมื่อยครับเมื่อยเหรก็เมื่อยมากแล้วภาพภาพมันก็ดีใช่ไหมคะเอาล้วไม่เป็นไรก็ทาใจสบายๆคุณลุงขยับไปยืดก็ได้นะคะไม่เป็นไรขยับได้ไม่เป็ขยับให้สบายก็นอนอย่างนั้นก่อนได้ใช่ไหมคะครับ การที่เรานั่งเตียงได้นอนเตียงได้สบายสบๆหลวงพ่อท่านบอกว่าเรามีสิษย์มาพันทพ่านแล้วท่านนั่งสบายนะคะอ่าเอาล้วก็เข้าไปการาบสมเด็จพระสรัมมาสัมพุทธเจ้าไปดูรอบๆวิมานหน่อยดีไหมคะเด็ดครับก็มีอะไรบ้างรอบๆวิมานคุณลุงนะคะขอท่านแม่ท่านพาไปะคะ่ะบอ๋อมีหลายอย่างเครื่องใช้เม็ดกบกครับเครื่องใช้เม็ก๊รอบๆวิมานดูสิคะ บริเวณรอบๆเจออะไรบ้างค ะ, อะเออเจอเจอเทวดาเฝ้าอยู่เช่นเดียวกันอ่ามีเทวดาเฝ้าอยู่ค่ะอะแล้วดูสิต้นไม้มี้ไหมมีครับต้นไม้ทำไมใบขาวดอกขาวหมดล้วครับขาวเป็นอะไรคะโอ้โหไปแกว้วครับแกว้วเหรอคะครับ ดอกสวยนะคะสวยครับเมือมนุษย์ซูไม่ได้แบบนี้นะอ๋อไม่มีไม่มีอะไรเทียบแต่เมืองมนุษย์ไม่มีแล้วให้ลองดูสิคะมีอย่างอื่นอีกไม่นอกจากต้นไม้สระน้ำมีไหมคะไม่ครับสวนดอกไม้สระน้ํามีพร้อมไเลยสระน้ําลงได้ไหมคะ ได้ครับในตะพาณในตะพาณนะครับลงไปเลยเป็นน้ำหรือเป็นแก้วเป็นแก้วครับแต่ลงได้ใช่ไหมคะครับอัเป็นของทิพย์นะคะอ่าอาศัยทําบุญด้วยน้ํานะคะอ่าก็เลยมีสะระโบเกินได้สะไม่มีอะไรบ้างไหมมีอย่างอื่นอีกก็ป่ะค่ะไม่มีไม่มีนะครับดอกไม้ดอกบัวอะไรไม่มีอะมีแต่ว่าอยู่ข้างๆรอบๆอ๋อดอกบัวก็สวยนะสวยครับ คุณลุงดีใจไม่มีวิมานอยู่อยดีใจจริงๆเลยครับไปดูอีกสิคะรอบๆมีต้นไม้ใหญ่ก็มั้ยมีครับมีน ะ, ะชมรอบๆให้สบายใจขึ้นมาทุกวันเลยนะค ะ, คะทั้งหมดนี่เราก็ดูเป็นตัวอย่างสำหรับแดนพาริภานนะค ะ, คะนี่ต่อไปเราจะเคลื่อนที่ไปยังพรมคุณลุงเข้าไปกราบ นมัสการสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบท่านพ่อท่านแม่ขอบา ร, รมีท่านช่วยพาไปยังพรมชั้นที่สิบหกสำหรับพรมเนี่ยมีอยู่สองประเภทนะคะคือรูปประพรมกับอารูปประพรมรูปประพรมเนี่ยมีสิบหกชั้นเราก็ไล่ดูตั้งแต่ชั้นที่สิบหกลงไปก่อนนะคะคขอบา ร, รมีสมเด็จพระจินวรรณขอท่านพ่อท่านแม่พาไปวิมานของท่านสหัมบดีพรมซึ่ง เป็นผู้เป็นใหญ่ที่สุดในบรรดาพรมทั้งหมดอยู่พรมชั้นที่สิบหกครับถึงอย่างคะ่ะถึงแล้วครับเห็นวิมานท่านไหมคะเห็นครับเป็นยังไงวิมานท่านสามปฏิพรมเปรียบเทียบกับที่พันะคะ ถ้าทําได้เพชรเช่นเช่นเดียวกันทำได้เพชนะคะองค์ท่านสหับบมบดีพรมท่านอยู่หรือเปล่าคะอยู่ครับอยู่ท่านท่านออกมารับข้างนอกหรือว่าอยู่ข้างในวิมานท่านยืนอยู่ที่ประตูครับอ่าเข้าไปกราบพิพาวท่าน<ม>เป็นไงท่านแต่งตัวยังไงคะแต่งองค์ยังไงแต่งองค์เทวดาแต่เทวดานะเนื้อเป็นไงดูเนื้อสิคะเนเหลืองสวยเลยครับสวยนะคะสาทึก สายครับสายนะคะกราบนะคะทาท่านยิ้มมหมยิ้มครับยิ้มนะครับคุณลุงรู้สึกเคยเป็นญาติกับท่านไหมคะเคยเป็นครับเคยนะคะเทวดาหรือทรงก็ตามถ้ายิ้มแสดงว่าเคยเป็นญาติกันคุณลุงอยากจะเรียกท่านว่ายังไงดีคะเรียกคุณลุงคุณลุงนะคะลุงก็พี่ชายของพ่อดีนะคะท่านพาเข้าไปในวิมานได้ยังคะพาเข้าไปครับแล้กราบนะคะ เออพรมนี่เขาปั้นพรมนี่เั้นสีหน้าท่านสารบรดีพรมนี่หน้าเหมือนเราไหมอ๋อสวยหน้านเดียวเหมือนเราเป่ะหน้านเดียวเหมือนเหมือนเราเนี่ยนะอแต่ก็ไปปั้นเป็นเหมือนนะเหมือนเหมือนเทวดานะครับเหมือนเทวดานะ <laughs> ไม่เหมือนเรานะครับครับเหมือนเร า, นาที่หมายความว่าเหมือนตัวเราที่ขึ้นไปข้างบน <laughs> <laughs> ใช่ไหมใช่ครับเป็นหน้าอย่างเราเนี่ยนะ เครื่งรงเครื่องแบบอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับตัวสวยนะแก่ไหมไม่แก oh ่หนุ่มหนุ่มนะคะครับแล้กราบนวันสการท่านท่านพ่อท่านแม่ได้เข้ามาด้วยเปล่าคะมาครับมาด้วยนะคะเออพรมทั้นที่สิบหกเนี่ยมีอีกท่านหนึ่งที่น่าจะรู้จักคือท่านเท้ามหาชุมพูตั้งใจรัตนาท่านศิษย์ท่านจะมาท่านมาอย่างมาแล้วครับคุณรู้จักท่านเท้ามหาชุมพูไหมคะไม่เคยรู้จักครับไม่เคยรู้จัก ท่นยิ้ ม, มป่ย้มครับยิ้มเข้าไปกราบพี่เท้าท่านสําหรับองค์นี้ท่านเป็นน้องชายของหลวงพ่อ น, นะคะอ๋อเราก็เรียกท่านอาครับท่านเท้ามาหาชุมพลเนะี่ยท่านเป็นผู้ที่มีอํานาจมากเป็นเป็นผู้ที่ทําไอ้ผ้ายันแดงคุณรู้จักไะผ้ายันแดงหลวงพ่อ น, นะคะท่านอาท่านเท้ามาหาชุมพลท่านเป็นผู้ที่มีฤิธิ์มากนะคะท่านช่ชวยคุ้ อ, องปอกปกักรักษานี่ก็กราบขอท่านนะคะรู้ักท่านแม่ใช่ไหมคะองค์เนี่ยที่ ชาวลบบุรีเขาเรียกว่าประกาศเนี่ยอ๋ออ๋ทุกขพชั้นสิบหกนะคะับครัอาลกราบนมาสกา ร, รกาท่านนี่สําหรับเอ่อพรหมชั้นที่สิบหกเนี่ยก็อยู่ต่ำกว่าพิภพานมาหน่อยนะคะครับท่านจะที่จะอยู่ที่นี่ได้เนี่ยต้องได้พระอนาคามีผลมาแล้วแล้วเวลาตายต้องเข้าฌานตายหรือานสีนะคะถึงจะมาอยู่ที่นี่ได้ก็ไม่ลงไปเกิดเป็นคนอีกแล้ว ต่อไปทันิพานเลยนะคะคุณลุงสังเกตวิมานความผ่องใสาะใกล้ๆกับนิพานใช่ไหมคะใช่ครับสังเกตองค์ท่านองท่านสหั่นดีตรงเนื้อจริงๆท่านเป็นอะไรดูภาพเครเนื้อใสเลยครับแก้วใสนะคะจัางมาไว้นะคะบริกาเทียบกันนะคะเนื้อใสเครื่องประดับ เครื่องัดเพช ร, พชรทั้งหมดเลยนะคะมีรนะัมีออกไหมคะออกครับมีรัศมีออกนะคะเอาก ร, ราบลาท่านโค้ท่านสามบดีพรหมท่านในโดดพาไปพรหมชั้นที่สิบห้าสำหรับพรหมชั้นที่สิบหกเนี่ยนะคะคตามภาษาหนังสือท่านเรียกว่าอกกานิชชสุทาวาสนะคะครพรหมชั้นที่เรียกว่าสุทาวาสเนี่ยมีอยู่ตั้งแต่ท่านที่สิบสองถึงชั้นที่สิบหกนะคะ เป็นท่านที่ได้พระอนาคามีผลมาก่อนแล้วและเวลาตายก็เข้าฌานตายในระดับของฌานสี่ก็มาอยู่รงชั้นสุทาวาสได้ซึ่งก็ไม่ลงไปกลับวันเกิดอีกแล้วไปพานิพานเลยนะค ะ, คะนี่เราไล่ย้อนหลังตั้งแต่สิบหกสูงสุดที่นี่ก็ไปพร่มชั้นที่สิบห้านะคะ นึกถึงพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าไหมคะเห็นครับท่านพ่อท่านแม่อยู่ด้วยนะคะอยู่ครับขอท่านพาไปยังพรมชั้นที่สิบห้าไปวิมานท่านที่เป็นหัวหน้านะคะคสําหรับพรมชั้นสิบห้านี้มีชื่อว่าสุทัศสีสุทาวาสถึงอย่างค่ะถึงแล้วครับลงไปหน่อยหรือว่าอยู่ยังไงกันลงไปหน่อยลงไปหน่อยน่าแสดงว่าพรงนี้เป็นชั้นนะคเป็นชั้นนะเออพบวิมานท่านอยังพบครับเป็นไงวิมานท่านเรียบเทียบกับพรมชั้นที่สิบหก ก็เบากว่าหน่อยครับเบากว่าหน่อยครับไม่ค่อยใสเหมือนสิบหกจะลดลงไปนิดหนึ่งนะคะคแล้วองค์ท่านที่เจ้าของวิมานล่ะคะเจ้าของวิมานก็แต่งชุดเทวดาเหมือนกันแต่ว่าความสุขใสต่างกันหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยะคะลดไหน่อยนะคะคท่านสวยไหมสวยครับเนื้อท่านเนื้อหลีเหลืองอใส ที่เหลืองเนี่ยเพราะว่าเหลืองใสหรือว่าเหลืองเหลืองใสครับใสนะค <ฮะ S 1> แล้วท่านก็เป็นแก้วใสอยู่แล้วนะคะค <ฮะ S 1> อันนี้สุทัศสีสุภาว่าจะได้พัฒนาธานีเหมือนกันต้องเป็ผู้บริสุทธิ์เออรูปล่างท่านเป็นไงคะรูปร่างสวยครูปล่างสว ย, สวยท่วมเลือดเล็กเลือบโร่งร่วงเท้าอะไรต่าธรรมดาธรรมดามเหมาะสมนีนะค ะ, <ฮ>ะนี่ต่อไปไปครองช่านที่สิบสี่ ชือว่าสูทัศนษาสุภาวะไปวิมานของท่านที่เป็นหัวหน้าของกรมทั้นนั้นถึงอย่างค่ะถึงแล้วครับเป็นไงคะวิมานท่านวิมานท่านก็ไล่ไลกันแล้วครับไล่กันนะคะความผองใสนะคะครับไล่ไล่กันองคนี้ก็พระนาคามีเหมือนกันท่านเจ้าของวิมานอยู่ไหมคะอยู่ครับเข้าไปกราบท่านไหมคะกราบแล้วครับกราบท่านแล้วนะคะผู้ท่านเป็นผู้บริสุทธนะคะ ต่อไปพรมชั้นที่สิบสามมีชื่อว่าอตัตตปาสุทาวาสขอบารมีพระพุทธเจ้าขอบารมาีท่านพ่อท่านแม่พาไปที่พรมจะไปแล้วงงะ ค, ะครับถึงแล้วใช่ไหมคะครับคับความพองไสเป็นไงคะไล่กันลงมาครับไล่ไ ล, ไล่กันมีชั้นหนึ่งคือชั้นที่สิบสองชื่อว่าอาวิหาสุทาวาสถึงอย่างครถึงเขาแล้วถึงแล้วครับความพองใสของวิมาน ไล่กันลงมาเรลยครับแต่ทั้งหมดนี้ก็มีความคล่องสใช่ไหมคะครับมีความคล่องสาแต่ว่าสายมากสายน้อยเท่านั้นครับแต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นพรมพระอนาคามีนะคะสิองถึงสิบหกซึ่งรวมเรียกว่าสุทาวาสท่านที่เป็นหัวหน้าใหญ่สุดคือท่านสามบดีสมคุณลุงก็รู้จักแล้วใช่ไหมคะครับเอาละท่านสามบดีสมอยู่นั่นไหมคะกราบลาท่านนะคะลาทั้งหมดอดีท่านพ่อท่านแม่อยู่ด้วยนะคะ โยครับขกราบนมัชการลาท่านเออสมเด็จพระเจ้ารุจจารณพรเจ้าประทับเป็นประธานหรือเปล่าฮะโยครับข้าไปากราบนมัชกา ร, ร, รท่านนะคะเวลาหมดพอดีส ม, มุดแค่นี้นะคะเอ า, าเทสตยยหน้าใหม่นะคะครับ